วางไว้ในตำแหน่งที่สามารถจะหยิบฉวยขึ้นมาใช้งานได้ทันทีโดยไม่สับสนกลุกคลั ก, ลกใช้ย่ามหลังเป็นที่หนุนศีษะเสียงนกกลางคืนร้องปึกปึ๊อยู่เป็นจังหวะนานๆเก้งจะร้องเป๊กแหวกความเงียบมาสักครั้งหนึ่งสลับไปกับเสียงจักจัน่นเรไรป่าและเสียงน้ำสาซาลงมาสู่วังวนทุกคนนอนฟังเสียงดนตรีัยเ่านั้นซึ่งสะกดอยู่เนือความอ่อนเปรียเพียแรง ไม่ช้าต่างก็หลับไปท่ามกลางความหนาวหนิบไปทุกขุมขนเหตุการณ์ผ่านไปอย่างสงบราบคาบจนกระทั่งทุกคนตื่นขึ้นในเวลาเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นระหว่างที่หุงอาหารเช้าและจัดเตรียมตัวออกเดินทางแล้วพินคว้าปืนเดินไปสำรวจที่บริเวณแก่งน้ำตกอีกครั้งพักใหญ่ก็โผล่กลับเข้ามาร่างกายเปียกน้าโชกไปครึ่งตัวขณะนั้นข้าวสุกพอดีไม่มีทางอื่นที่จะเข้าไปถึงปากถ้านั่นได้เลย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 น้ำตาลสายและผงกาแฟถูกนำมาห่อมัดรวมกันอย่างหนานแน่นด้วยผ้าพลาสติกปืนทุกกระบอกเฉพาะที่ปลายํำกล้องถูกปิดตึงไว้ด้วยปสเตอร์ปิดแผลเพื่อบรรเทาไม่ให้น้ำไหลเข้าไปทางลำกล้องดาดินกับชา ย, ยานถอดเข็มขัดปืนสั้นพร้อมสายกระสุนห่อรวมไปในสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ถูกน้าด้วยเพียงไม่อีกีก่อึดใจหลังจากนั้นทุกอย่างก็เสร็จสรรเรียบร้อยพร้อมที่ออกเดินทางได้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 ชายยันและดารินเดินเคียงคู่กันตามหลังเขาวเว้นรยะห่างประมาณสองช่วงแขนถัดมาก็เป็นแง่ทรายกับเกิดซึ่งหามสัมภระที่ห่อผ้าพาสติกตามท้ายขบวนด้วยจันทร์และเสยทั้งหมดเดินในลักษณะแถวเรียงเดี่ยวตามกันไปปืนถือในลักษณะชูไว้เหนือศีรษะนอนขนานกับพื้นน้ำเพื่อให้น้ำเปียกน้อยที่สุดยิ่งใกล้ตำแหน่งน้ำตกลงกระทบผิวแองเท่าไรระดับน้ำก็เริ่มจะลึกขึ้นเท่านั้น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 กระทบร่างกายจะรู้สึกเจ็บและแทบจะทำให้ต้องเสียหลักล้มลงเสียงด่าดินร้องอุทานออกมาเมื่อเหยียบหินพลาดเพราะแรงประทะของน้ำเสียหลักล้มจมลงไปแต่ชายยันกระช่าขอเสื้อหิ้วขึ้นมาได้กว่าจะพ้นม่านน้ำตกเข้าไปสู่ความมืดสลัวภายในเชเวริร์ผาได้ก็เต็มไปด้วยความทุรคทะเลเปียกโชกไปหมดทั้งกายรถหินยืนรอคอยอยู่ก่อนแล้วอาจ้็มาช่วยหิ้วปีกหญิงสาวอีกข้างหนึ่ง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 ทำให้แลดูนาว่าดระแวงสะพึงกลัวอย่างยิ่งการพูดจาส่งภาษากันในขณะนี้แม้จะใช้ตะโกนก็แทบจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะเสียงอื้ออึงของน้ำตกพรานใหญ่โบกมือเป็นสัญญาณอีกครั้งค่อยคอยเดินรุยตรงเข้าไปหาผนังหินปากถา้ำทุกคนเห็นเขาก็ค่อยๆก้าวพ้นระดับน้ำสูงขึ้นไปเป็นํำดับเหมือนจะเดินขึ้นไปตามขั้นบันไดระ ว, วางไรเฟของตนเองลงบนแง่หิงตอนหนึ่งยื่นส่งมือมาให้ใชยันจับ อดีตนายทหารปืนใหญ่คว้ามือนั้นไว้อย่างเหนียวแน่นในแบบบล็อกโดยมีฝ่ามือของแต่และฝ่ายจับข้อมือของกันและกันไว้อีกข้างหนึ่งส่งต่อไปให้ดารินอีกค่อยๆเหนียวพยุงตัวไต่าตามแง่หินอันจับเริ่มไปด้วยตะไคร่น้ําขึ้นไปอย่างแช่มช้าระมัดระวังครูใหญ่ต่อมาทั้งชา ย, ยานและดารินก็ขึ้นไปพักตัวอยู่บนก้อ น, อนหินเหนือระดับน้ําได้ช น, นิดที่บุดริด จ, จะเสียหลักดึงกันตกลงไปหมดทั้งสาคนอยู่หลายครั้งอันเนื่องมาจากความลื่น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 ชายยันถูกแง่หินบาด ท, ที่ข้อศอกเลือดออกซิดส่วนดารินกังเกงล่าสัตว์ของหล่อนตะเข็บตั้งแต่ปรีสะโพกลงไปจนเกือบถึงหัวเขา่าเห็นเนื้อขาวพองแต่หล่อนไม่เอาใจใส่แม้ว่ารพินจะส่งเข็มซ่อนปลายมาให้ช่างเถอะหล่อนบอกขึน้น้วนปัดมือเข้าไปขณะที่ถอดหมวกออกสดัดน้ำจากเกลอนผมฉันไม่เอานิยมนิยายกับมันแล้วไม่ว่ามันจะขาดตรงไหนนี่มันทางไปบาดาหรือไม่ก็นรกชัดๆ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 อุปทานแล้วน้อยจะมีอะไรมากระช่าขาเธอกันนอกจากเธอจะเดินเหยียบหินใต้น้ําพาดแล้วล้มลงออไปเองน้ําก็ไม่ลึกอะไรนักชายยันบอกมาปนหัวเราะมองดูรอดอย่างขันขันคุณหญิงไม่เดินตามร่องที่ผมเดินนํานี่ครับไปเจอเอาร่องน้ําลึกเข้ามันก็ท่วมหัวเหมือนกันแล้วผินบอกมาเรียบๆขณะนี้สายตาของทุกคนคุ้นกับบรรยากาศภายในแล้วพอจะมองเห็นบริเรียนปากท่าำที่นั่งพักอยู่ได้แจ่มชัดขึ้น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 มีหวังศูนย์พังแน่ปืนเธอกระ บ, บอกนี้ชัยยันเจ้าของปืนผู้กำลังรีดน้ำออกจากค้างเกงและทับคอมแบตหันขวับมาอะไรก็ช่างเถอะว่าแต่พอจะมองเห็นเส้นเลงหรือเปล่าตัวศูนะย์น่าพอเห็นหรอกแต่ลงไอ้น้ำเข้าไปจับเป็นละอองแบบนี้มันก็มีหวังราขึ้นกล้องเต็มไปหมดไม่สำคัญเอาว่าในระยะนี้ขอให้พอใช้ได้ก่อนก็แล้วกันถ้ากล้องใช้ไม่ได้จริงๆก็ถอดโยนทิ้ง อาศัยศูนย์เปิดที่ติดมาให้จากโรงงานก็แล้วกันดารินส่งปืนไปให้ชายยันเพื่อนชายรับไปยกขึ้นสองแล้วส่งให้พานใหญ่อีกต่อหนึ่งภายหลังจะเกรงดูในกล้องอยู่กู้แล้วพินบอกว่าเรนยังแจ่มใสพอสมควรนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นกากระ บ, บาทที่ชัดเจนดีผมว่าถูกแดดหรือไอร้อนตอนใสๆเขาน่อยไอ้น้าที่จับอยู่ก็คงระเหยจะหายไปเองศูนย์กล้องมันไม่สะดวกอย่างนี้หรอครับ สมบุกสมบันไม่ค่อยได้ต้องประครับประคองกันมากเจอฝนเจอน้ำเข้าบ่อยๆไม่เหมาะนักอีตอนที่ตลุมบอลกับไอ้แหวงนุ่ววานผมเห็นมันหลุดกระเด็นจากมือคุณหญิงตกลงกับพื้นแรงสะเทือนไม่ทราบว่าฐานกล้องจะเคลื่อนหรือเปล่าหญิงสาวจ้องหน้าเขทาทำตาโตนี่อย่ามาพูดที่ใจไม่ดีนะคนยิ่งกลัวอยู่ด้วยประเดี๋ยวฉันก็บงังคับเปลี่ยนเปล่นกับคุนเสียเท่านั้นพรานยายหัวเราะเบาๆส่งไหลเฟินไปจับมือของเขาไปให้ ตกลงครับถ้าคุณหญิงคิดว่าพอจะยิงจุด 4-5-8 หไว้แต่ว่าอันที่จริงมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากไปกว่าลิกบี้ที่คุณหญิงเคยยิงมาแล้วเลยคือคือกันนั่นแหละชายยันสกิดแขนเพื่อนสาวเมื่อเห็นด่อนทำท่าลังเลอยากจะเปลี่ยนปืนบอกมาต่ำๆว่าอย่าบ้าเลือดน้อยน้ำหนักตัวเธอยังไม่ถึง60กิโลกรัมก็อย่าไปยุ่งกับมันข้าขนาดฉันหรือนพินยังเซ เป็นเธอก็หกคเมนเจ็ดทอดเลยถ้าเหนียวไกลตูงออกไปจุดส0มนย์แม็กนกัมกระบอกนั้นนะ่ะดีแล้วรับรองว่าแค่กระโถะกระแทกโครมสองโครมฐานกล้องไม่เคลื่อนหรอกมันติดแน่นมาจากโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของตัวปืนเลยถ้าไม่กระเทือนแรงจนถึงกับเบี้ยวหรือคดไปแล้วก็เชื่อได้เลยว่าเที่ยงเหมือนเดิมรถพิณ ล, ล้อเธอเล่นนะฉันเป็นเจ้าของปืนกระ บ, บอกนี้ทําไมฉันจะไม่รู้ดารินฝืนหัวรอแค่นั่น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 และโยนปลายที่เหลือมาทางพรานใหญ่ด้วยอาการเงียบเงียบเพียงแค่นั้นแล้วเพียก็อ่านความหมายได้ในทันทีว่าหุนทางเดินภายในถ้ำ ม, มีสภาพเช่นไรบ้างมันจะต้องเต็มไปด้วยหูเหวเสี่ยงอันตรายไม่ใช่น้อยทีเดียวสําหรับการคําทางเข้าไปเขาจ้องหน้าแงาสายและหัวรอหึอหึยืนในลาคอไม่เอ่ยเช่นไรเหมือนกันคว้าเชือกขึ้นมาผูกเอวตนเองบ้างเว้นระยะห่างจากแงาสายประมาณสามหลาแล้วหันไปทางชายยันกับดาลิน นายจ้างทั้งสองก็สามารถจะเข้าใจชนิดที่ไม่จำเป็นต้องซักถามเสียเวลาน้อยถัดจากพระพินและฉันถัดจากเธอเองอดีตนายทหารปืนใหญ่กระสิบบอกพร้อมกับตกไหลเพื่อนสาวนักมนุษยวิทยาคนสวยจัดการกับตนเองตามแบบระพินโดยไม่เงอะ ง, งะเสียเวลาอยู่เพราะเคยชินรู้ดักดีอยู่แล้วเพียงจะถามว่าเว้นระยะห่างสักเท่าไหร่ 3. หลาอย่าให้สั้นกว่านั้น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 แต่ถึงอย่างไรก็มีขนาดกว้างพอที่ช้างขนาดใหญ่จะเดินเรียงเดี่ยวไปได้อย่างสบายอากาศภายในเริ่มข้นหนักขึ้นทุกขณะเมื่อลึกจากบริเวณปากถ้ำเข้ามาเป็นลำดับทุกคนสะพายปืนไว้กับไหลใช้มือทั้งสองเกาะตามหินงอกที่ผุดระเกะระากะาตามท า, ทางที่ผ่านไปราวกับจอมปลวกนับไม่ถ้วนเหล่านั้นเพื่อพยุงตัวกันไม่ให้รื่นหกล้มจากพื้นอันแสนจะเลื่อนทรงตัวลาบากครั้งหนึ่ง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 ความจริงมันควรจะไปไม่ไหวแล้วแง่าสายฉายไฟในมือลงไปยังแอ่งอันเลอะไปด้วยรอยช้างนั่นอีกครั้งและชี้ให้ดูพร้อมกับเอ่ยห้าวๆขึ้นเป็นประโยคแรกว่าผู้กองเห็นรอยช้างใหญ่อีกสองตัวนั่นไหมรพินมองตามนิ่งไปครู่ใหญ่ตาทั้งคู่หลี่ลงอย่างใช้ความคิดหนักหน่วงชายยันสกิดถามมาเบาๆว่าทําไมหรือรพินอาจเป็นไปได้อย่างที่แง่าสายคิดครับ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 ครางอะไรออกมาคำหนึ่งด้วยความสยดสยิวใจในปัญญาเร่กลของพญาก็จะสารร้ายและลูกโขลงบริวารของมันโอ้โ oh หถึงขนาดนี้ทีเดียวหรือภายหลังจางเงียบงานกันไปคู่ใหญ่แล้วพินก็บอ ก, กลุ่มๆว่าจะยังไรก็ตามเราเป็นต่อแล้วครับความหวังเห็นอยู่แค่เอื้อมนี่เองแล้วก็พยักหน้ากับแง่าสายให้ออกนาต่อไปทั้งหมดเคลื่อนออกจากที่อีกครั้ง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 มันอาจลงไปเกลือกปากตะไครน้ำเอาตะไครอุดปากแผลหยุดเลือดไว้ชุขาวก็ได้ไม่ต้องมีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นทำตามที่ฉันสั่งเขาพูดเฉียบขาดเสียงแงสายถอนใจเยือกนิ่งอยู่อีกครู่ก็บอกมาห้าวๆเสียงกล้องไปทั้งคูหาว่าระวังตัวเดินตามแงสายให้ดีทุกคนทางข้างหน้าจะผ่านปากเหวรอบด้านหนทางแคบและลื่นมากแงสายจะนำธรุออกปากท่าทางด้านหุบหมาหอน ตามคำสั่งของผู้กองขาดคำร่างอันสูงใหญ่นั้นก็เคลื่อนออกจากที่อีกครั้งทั้งหมดเดินเข้าขาบวนในลักษณะเรียงเดี่ยวอีกครั้งสูรเท้าซ้ำรอยกันไปอย่างระมัดระวังโดยทิงระยะเท่ากับความห่างของเชือกที่ผูกมัดเอาไว้แง่ท า, ายสองทางไปเฉพาะร่องเดินข้างหน้าแต่ละพินและชายยานกวาดจำฟิฉายส่องสารวจไปตามผนังทั้งสองด้านตลอดจนบริเวณแวดล้อมที่ก้าวผ่านไป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 ซึ่งทํานายไม่ได้ว่าอนาคตอยู่ที่ไหนรพินคุณแน่ใจหรือว่าช้างมันจะผ่านทางแบบนี้ไปได้เสียงชายยันร้องถามเบาๆขณะที่ใช้เท้าอย่างทางอันเทราเป็นรอยสูงต่ำาพวกหาความมั่นใจก่อนจะก้าวเหยียบลงไปอย่างระมัดระวังมือก็เกาะยึดหินงอกลิมผนังไว้แน่นเชื่อเถอะครับว่ามันไปได้เป็นคาตอบสั้นๆของจอมพาน แล้วจากนั้นความเงียบก็ปกคลุมเหมือนเดิมนอกจากเสียงหายใจหอบหอบและเสียงอุทานพึมพำอยู่ในลําคอจากใครบางคนในบางเวลาดาดินเหยียบก้อนหินถลายลื่นครั้งหนึ่งแต่ขมํำไปเกาะยึดแง่ริมผนังไว้ได้ก้อนหินที่หล่อนเหยียบพลัดจากขอเผรุดร่วงลงไปเสียงมันกระทบกับแง่ที่โผล่ยื่นออกมาจากกริมขอบแล้วก็ดอนต่ําลงไปสู่เบื้องล่างดังสะท้อนก้องลงไปเป็นลําดับฝังสแสียงวูบไปถึงขั้วหัวใจ ทุกคนหยุดชะ ง, งักการเคลื่อนนิ่งอยู่กับที่ในบัตรนั้นน้อยเป็นยังไงบ้างชายันร้องร่านขึ้นอย่างใจหายพร้อมกับฉายฝายไปที่เพื่อนสาวผู้อยู่ข้างหน้าทุกคนเห็นนักมนุษย์วิทยาคนสวยนอนพังภาพเกาะแง่หินนิ่งอยู่เช่นนั้นอึดใจหนึ่งก็ค่อยๆเหนี่ยวกายส่งตัวขึ้นส่วนเท้าข้างหนึ่งของหล่อนพ้นขอบเพลวออกไปรออยู่ไม่สามารถจะใช้ยันกับอะไรได้ ระวังอย่าเพิ่งพัวพลาดเข้ามาที่ฉันตรงนี้ลื่นทางเทลาดมากหลอนกลับเป็นฝ่ายเตือนขอางาเบาๆด้วยเสียงเป็นปกติเมื่อเห็นชายยันขยับตัวจะปรีผามมามเข้ามาช่วยพยุงตรงตำแหน่งนั้นพรานใหญ่ซึ่งเป็นคนถัดไปจากหลอนทางเบื้องหน้าและบัดนี้อยู่ในระหว่างซ่อขินที่มีความมั่นคงกว่าตวัดสายเชือกส่วนที่ทิ้งระยะในระหว่างเขากับหลอนคล้องผ่านติดกับแง่ตอนหนึ่งอย่างมั่นคง